ความในเนติปกรณ์ข้อสี่สิบสี่หน้าแปสิบหคาถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสอุทานเพราะปรารบนางวิสาขาตอนนั้นนางวิสาขาเป็นไงร้องไห้คิดถึงหลานมีหลานเป็นที่รักเป็นที่พอใจอยู่คนหนึ่งช่วยงานยายได้ทุกอย่างยายไม่อยู่ก็ช่วยคำกิจทั้งหมดได้ ปกติก็ทําบุญหลานเนี่ยเป็นคนสวยด้วยแล้วก็เป็นคนขยันด้วยน่ารักด้วยทํางานทุกอย่างแทนยายหมดทันยายเวลาจะไปไหนก็ฝากงานส่วนใหญ่เอาไว้กับหลานคนนี้นี่หลานตายเข้ายายมีเสียใจมากเอาหลานไปส่งไว้ที่ป่าชาเสร็จรักขนาดไหนก็ยังไงก็ต้องไปนะก็ไปที่ป่าช้าเสร็จก็ร้องให้เข้าวัด ผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าไปยังไงมาแต่ยังวันเชีะนะผ้าเปียกผมเปียกน้าําตาไหลมาเลยแหละ <c oughs> ก็บอกว่าหลานเป็นที่รักคนหนึ่งตายไปเยรางนั้นมันก็เลยเกิดความโศกเกิดความเสียใจเป็นอย่างมากพระองค์ก็ถามว่าอยากให้เมืองสาวัตถีเนี่ยชาวเมืองสาวัตถีทุกคนเนี่ยนะเป็นลูกอันเป็นที่รักรักขนาด น, นั้นแหละ รักเท่าคนที่ตายเนี่ยนะรักทุกคนเลยไหมนะอยากให้แบบตัวเองมีลูกขนาดนี้มไหมบอกว่าอยากอยากให้เป็นแบบนี้แหละนะให้มีลูกสุดที่รักเท่ากับชาวเมืองสาวัตถีทั้งหมดพงศ์ก็ถามว่าแล้วชาวเมืองสาวัตถีเนี่ยวันตายเท่าไหร่บางวันก็เป็นสิบบางวันก็ยี่สิบบางวันก็สามสิบแต่อย่างน้อยต้องหนึ่งละเหมือนันนะสรุปว่าตายทุกวันพงศ์ก็บอกว่าถ้าอย่างนี้นะเธอเนี่ยไม่มี คำว่าผ้าเปียกผมเปียกไม่ใช่มีครั้งคราวหรอกผ้าเปียกผมเปียกอย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาแห้งหรอกเพราะอะไรเพราะว่าคนผู้มีสิ่งอันเป็นที่รักร้อยก็จะทุกร้อยถ้ามีเก้าสิบก็ทุกเก้าสิบถ้ามีแปดสิบก็ทุกแปดสิบถ้ามีเจ็ดสิบก็ทุก 70. เจ็ดสิบนะฮะหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบสิบถ้ามีเก้าก็ทุกเก้า ถ้ามี8ก็ทุก8มี6 5ห้าสี่สามสองหนึ่งมีหนึ่งก็ทุกห น, นึ่งนสรุปว่าผู้ใดมีสิ่งอันเป็นที่รักเท่าใดก็ทุกเท่านั้นถ้าไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักเลยก็ไม่ทุกเลยพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าความโศกความขาครวนความทุกข์เป็นอันมากในโลกนี้ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะเกิดจากหรือย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งอันเป็นที่รัก เมื่อไม่มีความรักสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีหมายความว่าถ้าเมื่อไม่มีความรักความโศกความคร่าครวญความทุกข์ก็ไม่มีเพราะนั้นความความรักเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความโศกเกิดความคร่าครวญเกิดความทุกข์นั้นใครที่ไปแผ่ความรักไว้ที่ใดมากก็ความโศกความคร่าครวญความทุกข์ก็มีมากเพราะนั้นทางเดินแห่งหมายความว่าถ้าเราไปปล่อยใจให้เกิดความรัก อนนี้สงคืออะไรกําไรอ่ะกําไรที่เกิดจากก็เกิดความโศกความคร่ําครวญและความทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าทําตรงกันข้ามไม่ทําสัตว์และสังขารให้เป็นที่รักล่ะไม่เกิดความรักในสัตว์และสังขารก็ไม่มีความโศกไม่มีความคร่ําครวญไม่มีความทุกข์คิดอีกนายหนึ่งบอกว่าเรานี่จงเกลียดจงชังตัวเองขนาดมากถึงขนาดว่าสาบแช่งให้ตัวเองมีแต่ความทุกข์ความคร่ําครวญเลยหรือ เอาถามว่าทําไมจึงพูดอย่า ง, งานั้นก็ใช่อสิเพราะว่าเราก็เพลิดเพลินในสิ่งอันเป็นที่รักใช่ไหมปล่อยใจให้หลงไหลติดใจในสิ่งอันเป็นที่รักก็ไปโปรยความรักทั่วไปหมดก็เลยเท่ากับว่าไปโปรยความโศกไว้เต้นไปหมดเลยนะนั้นดอกโศกก็แบ่งบานทุกแห่งเชื่อไหมถ้ายิ่งอยู่ในบ้านเราด้วยนะดอกโศกมันเกิดได้ทุกแห่งเลยกับของทุกชิ้นเพราะเราไปชอบทุกอย่างใช่ไหมเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะต้องเป็นอื่นด้วยนะบางที เมื่อเราไม่คิดว่าข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดหรือบุคคลในครอบครัวของเราหรือคนที่เราชอบเราพอใจเนี่ยจะเป็นอื่นไปได้คำว่าเป็นอื่นนี่แปลว่าแปลว่าอะไรเช่นป่วยเป็นต้นเนี่ยนะเช่นป่วยเช่นตายเช่นเสียหายตายจากพลัดพรากกันเนี่ยนะเมื่อเป็นอื่นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามเธอความโศกก็เกิดขึ้นความคร่าครวญบ่นเพ้อก็เกิดขึ้นความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจก็เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นความรักย่อมไม่มีแก่ชนเหล่าใดในโลกใด น, นชนเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ปราศจากความโศกเป็นผู้ที่มีความสุขเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ปรารถนานิพานอันไม่มีความโศกนิพานเป็นที่ปราศจากตัณหาถ้าปรารถนาพระนิพานจริงก็ไม่พึงทาความรักในไหนในโลกไม่พึงทำใจให้ไปรักในสิ่งอะไรอะไรในโลกเน่นะ ตอนต้นเนี่ยในอการที่เราไปชอบในสิ่งใดๆก็ดูเหมือนดีเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเสียใจมาจากสิ่งนั้นๆเนี่ยนะก็หมายว่าถ้าเราเพลิดเพลินเท่าใดเราก็ต้องเสียใจเท่านั้นนั่นแหละถ้าเราชอบมากเราก็ทุกมากเสียใจมากลาบากใจมากขณะเดียวกันนั่นก็ประตูแห่งชาติชรามรณะของเราด้วยมันไม่ใช่ทุกเฉพาะชาตินี้ถ้าทุกแค่ชาตินี้ก็ไม่น่าหนักใจสักเท่าไหร่ แต่ว่าไอ้ต่อต่อไปชาติต่อๆไปเนี่ยนะมันก็ดูว่าตัญหาความเพลิดเพลินตัวนั้นแหละเป็นประตูแห่งอะไรตูอุปาทานทำให้เกิดภพชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนสและอุปาญาตเพราะความรักเป็นชื่อของตัญหาตรงนี้ไม่ได้พูดเมตตานะไอ้รักแบบเมตตานี่คนละอย่างกันแต่นี่กำลังพูดถึงสมุทัยศสต ร, ร์เพราะฉัถ้าหากว่าเรามี ตันหาเพลดิดเพลินในอารมณ์เพลดิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์ต้องการยิ่งนักในอารมณ์เหล่านั้นเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้เกิดความยึดถือเมื่อมีความยึดถือก็ทํากรรมใช่ไหมกรรมก็เป็นปัจจัยจึงมีชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสระบวัตตทุกขทั้งมวลก็ไหลสืบเนื่องไปอย่างนี้นั้นใครที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะ เวลาที่เกิดความเพลิดเพลินแม้แต่หนึ่งอย่างบอกว่าที่สุดของความเพลิดเพลินนี้คืออะไรโสกะปริเทวะทุกโทมานัตและอุปาญาตนั้นเขาจึงหักห้ามใจได้ก็เนื่องจากเนื่องจากเห็นกระแสของอสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะคาว่าความโศกความคล่ําครวญความทุกข์เป็นอันมากในโลกนี้เหล่านี้ทั้งสิ้นเกิดเพราะความรักเนี่ยนะ ความโศกความคร่ําครวญสิ่งเหล่านี้ที่เปล่งออกมาเห็นชัดๆก็คือความทุกข์ใช่ไหมไอความโศกเนี่ยคําว่าโศกก็คือว่าผู้นั้นอะกาลังจมอยู่ในกองทุกข์ความคร่ําครวญบนเพอ้อไม่ใช่ครวชนะ อ, อะไรเนะนี่ยคารวชใช่ไหมไม่ใช่คารวชแต่หมายถึงคร่าครวนไอคําว่าคร่ําครวญ น, นั้นหมายถึงความคนที่เป็นทุกข์เท่านั้นแหละจึงจะคร่าครวนใช่ไหมคนที่มีความสุขก็สบาย สรุปว่าความทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์ทังโศกอยู่ในใจคร่ําครวญบ่นเพ้อออกมาภายนอกเก็บในใจหรือแบ่งออกมาภายนอกเหมือนกับว่าช้าในหรือว่าแผลทะลักออกมาภายนอกมันก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละมันก็ประกาศถึงความทุกข์คําว่าเมื่อไม่มีความรักสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีถ้าไม่มีความรักก็ไม่มีความโศกไม่มีความคร่ําครวนไม่มีความทุกข์ น, นะสรุปทั้งโศกและทุกข์ก็คือเวทนา เวทนาก็เป็นเวทนาขันนะศุขทุกเนี่ยวัดกันที่ไหนวัดกันที่เวทนาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาใช่ไหมเวท น, นาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาดังนั้นตัณหาย่อมมีพระเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติาปเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะโสกาปริเทวะทุกโทมนัตและ อุปายาตสังสารทุกข์ก็ไหลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้แล้วนะถ้าเรามีเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาโดยมากก็ไหลไปตามตัณหาก็ไหลไปตาม น, นะเพราะว่าบุคคลผู้สเสวยสุขเวทนาก็ปรารถนาให้สุขยิ่งๆขึ้นไปถ้าหากว่าสเสวยความทุกข์ก็ปรารถนาแต่ความสุขเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นปัใจจัยให้เกิด ตัณหาปัที่ใดมีเวทนาเวทนาอยู่ที่ใดตัณหาก็อยู่ที่นั่น น, นะเมื่อตัณหาอยู่ที่ไหนวัตทุก์ก็อยู่ที่นั่นสังสารทุกข์ก็อยู่ที่นั่นแล้วทํายังไงเวทนาจะเลิกเป็นปัจจัยแก่ตัณหาละ่ะก็ต้องเจริญเวทนานุปัสนาตามเห็นเวทนาเหล่านั้นโดยอนุปัสนาเจ็ดถ้าเจริญเวทนานุปัสนาได้ เวทนาเหล่านั้นจะไม่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาแต่เวทนาจะเป็นอารมณะปัจจัยแก่วิปัสนาวิปัสนาก็เป็นปัจจัยแก่นิพิทาและวิราคะเป็นต้นถ้าแยกออกทั้งสองส่วนก็เป็นอะไรปฏิจจสมุปปาโทตระณะก็คือการยังลงสู่ปฏิจจสมุปบาทสรุปนะว่าคงพอทบทวนได้เลยใช่ไหม โสภาปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตเกิดจากความรักถ้าหากว่าไม่มีความรักโสกาปริเทวะทุกโธมนัตและอุปายาตก็ไม่มีท่านผู้ที่ปรารถนาความดับทุกข์ดับโศกก็ต้องไม่มีความรักอะไรทั้งนั้นน่ะโดยที่สุดแม่อะไรแม้แต่ความคิดอันนั้นก็ต้องไม่รักด้วยนะถ้ายังหวงความคิดอันนั้นอยู่พ้นทุกข์ได้ไหมไม่ได้นี่นะมันก็ ถ้าเห็นได้อย่างี้ก็นำนำออกจากทุกได้สุขเวทนาที่เกิดเพราะอ ะ, อะไรนะไม่มีความรักทุกเวทนาที่เกิดเพราะความรักเป็นต้นสุขเวทนาเป็นอินทรีย์สองอย่างคือสุขขินทรีกับโสมนัสสินทรีทุกเวทนาก็เป็นทุกสองอย่างคือทุก ข, ขินทรีกับโทมนัสสินทรีอันนี้ก็สงเคราะห์ลงอินทรีย์ที่เรียกว่าอินทรโยธรณอินทรโยตรณะเนี่ยนะ ก็คือการย่างลงสู่อินทรีย์อินทรีย์เหล่านั้นนับเนื่องในสังขารสังขารเหล่าใดเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นเหตุแห่งพบสังขารเหล่านั้นสงเคราะห์เป็นธรรมธาตุนะอันนี้เรียว่าสงเคราะห์ด้วยทา่าทั้งหลายเพราะเวทนานี้เป็นเป็นธรรมธาตุนะเวทนานี้เป็นธรรมธาตุธรรมธาตุนั่นแหละเป็นอายตนะเรียกว่าธรรมายตนะ เวทนาเหล่านี้โดยปกติเป็นอารมณ์ของอาสวะเวทนาเหล่านี้เป็นเหตุที่ทําให้เกิดในพบใหม่ใช่ไห ม, ท, ม ท, ทั้งโสมนัสเวทนาทั้งโทมนัสเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเป็นต้นมันถือว่าตัณหาเหล่านี้เป็นเหตุแห่งพบใหม่อันนี้เป็นการอย่างลงสู่ยตนะอันนี้เป็นคาถาแรกนะคาถาแรกก็คือสามบรรทัดแรกว่าสาบรรทัดแรกที่บอกว่า ความโศกความพร่ำควรวญความทุกข์เป็นอันมากในโลกนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดจากความรักเมื่อความรักไม่มีความทุกข์เป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่มีส่วนคาถาที่สองบอกว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือเพราะเหตุที่กล่าวมาแล้วว่า ความรักเนี่ยเป็นสาเหตุแห่งความโศกความขรัมโควนและความทุกข์อ่ะที่เราเพราะฉะนั้นอ่ะคือเพราะเหตุนั้นหมายว่าถ้าเข้าใจแบบนั้นแล้วนะถ้าทําให้ความรักไม่มีแก่ชนเหล่าใดในโลกหมายว่าถ้าตัดฉันราคะได้ทั้งหมดในโลกใดไหนเนี่ยชนเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ปราศจากความโศกก็เป็นผู้ที่มีความสุขเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ปรารถนานิพนธ คือปรารถนาความสุขนะนะปรารถนานิพานที่ไม่มีความโศกเป็นที่ปราศจากตัณหาไม่พึงกระทําความรักในโลกไหนไหนก็ตามเจริญอารมณ์ด้วยอำนาจสมถาวิปัสสนาไม่ใช่ตามเจริญตัณหาใช่ไหมคงแยกกันให้ออกนะว่าถ้าตามเจริญสมุทัยที่จบอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่วัตถุทุกถ้าตามเจริญสมถะและวิปัสสนาก็ถึงความดับทุกเนี่ยนะก็ถึงความดับทุกข นั้นคำว่าตั น, ตนหาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตันหาก็คือวิปัสสนาสมถะและ ว, วิปัสสนาถ้าเจริญสมถะวิปัสสนากด็ดับทุกข์ได้การไม่กระทำความรักนี่แหละเป็นการละตันหาละตันหาใช้คาว่าละนะอะไรมาละอนุภาพของสมถะและวิปัสสนาที่สูงสุด ทมกิจควบคู่กันไปก็สมุดเฉทประหารตัดตัญหาได้อย่างไม่มีส่วนเหลือถ้าตัญหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพบก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลก็ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เนี่ น, ะนาตัดฉันธราคะด้วยอาการเจริญ อริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคที่เกิดขึ้นตัดตันหาได้โดยโดยประการทั้งปวงก็ถือว่าดับวัตถทุกขโดยประการทั้งปวงการละตันหาเป็นสมถะถ้าที่ใดมีสมถะที่นั่นมีวิปัสสนาอยู่แล้วนะแต่ถ้าตามธรรมะเหล่านี้พันการพูดพูดอะไรนะโดยถ้าพูดสัมมาวายามะสัสามมาสติสัมมาสมาธิหรือพูดสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วมรรคที่เหลือก็ชื่อว่าเป็นอัน แสดงแล้วพันธการละตันหานั้นเป็นสมถะสมถะได้อินรีสองคือสตินรีและสมาธินรีอันนี้เป็นการยังลงโดยอินรีอินรีที่สามารถตัดกิเลสได้ต้องเป็นอินรีครบ5แต่ถ้าใช้คำว่าสมถะเน้นอินรีสองคือสตินรีกับสมาทินรีนะถ้ายกสตินรีสมาธินรีสัตินรีวิริยินรี ปัญญีสี่ก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะมันก็อินรีย์5ตัวนี้แหละเป็นตัวที่กําจัดตันหาละตันหาได้อย่างเด็ดขาดแต่นี้ยกตัวอย่าง อ, อินรีย์พอเป็นตัวอย่าง2อินรี่เพราะอินรีย์ที่เป็นสมะถะสองคือสติินรีย์กับสมาธินรี่สมะถะนั่นแหละเป็นสมาธิขันนี้เป็นการสงเคราะห์ด้วยขันทั้งหลาย สมถานั้นนับเนื่องในสังขารสังขารเหล่าใดไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอันนี้ก็เป็นสังขารที่เป็นโลกุตระสังขารอันนี้ไม่เป็นเหตุแห่งพบใหม่ ส, สังขารเหล่านั้นเป็นธรรมธาตุอันนี้เป็นการสงเคราะห์หรือเป็นก <itel lugares. S 1> ารหยั่งลงโดยธาตุธรรมธาตุก็นับเนื่องในธรรมายตนะเป็นอายตนะที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นเหตุแห่งพบใหม่อันนี้เป็นการหยั่งลงสู่อายตนะทั้งหลาย มันสรุปว่า เ, เพราะฉะนั้นเนี่ยนะความรักย่อมไม่มีแก่เราเแก่ชนเหล่าใดในโลกไหนไหนั่นหมายว่าถ้าตัดตัณหาได้อย่างเด็ดขาดชนเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ปราศจากความโศกเป็นผู้ที่มีความสุขถ้าตัดตัณหาถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพบก็ดับถ้าภพดับชาติชารามรณะโศกปริเทวทุกโธมรนณะและอุปาญาตก็ดับ ถ้าผู้ใดปรารถนาความดับทุกข์ดังที่กล่าวไปต้องการละต้องการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงละก็ไม่พึงทําความรักไหนๆในโลกก็หมายความว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตัณหาคืออะไรไ ม, ไม่ทําความรักก็เลยกลายเป็นว่าซื่อๆอะไรนะซื่อๆนะพูดตรงๆกัจริงๆใช้ๆไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นใช่ไหมไม่ก็ข้อปฏิบัติที่นาออกจากทุกมีอย่างเดียวคือมรรคเท่านั้นแหละ พันจะต้องสรุปว่าจะต้องมีคุณภาพมีอารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8เมื่อมีอารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละเรียกว่าไม่ทําความรักก็คือเจริญอริยมรัคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าไม่เจริญมรักแปดอย่างไรเสียมันก็มีอยู่สองทางนี่นแหละหมายคือว่าถ้าไม่มิจฉาปฏิปทาก็สัมมาปฏิปทาอจะอยู่เฉยๆก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆเนี่ยคือการเจริญนะเพราะว่าไอเฉยแบบความรู้สึกของเราแต่โลกมันไม่เฉยด้วยสิ ใช่ไหมโลกมันเฉยด้วยไหมโลกมันอยู่นิ่งอยู่กับที่ไหมจริงมันเร็วมากนะมันหมุนไปเร็วฉันใดชีวิตของเราก็หมุนไปในวัฏะอย่างรวดเร็วฉันนั้นเพราะฉะนนั้คําว่าเฉยในที่นี้ไม่ได้แปลแบบแบบนั้นแต่หมายถึงว่าการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ซึ่งเป็นธรรมที่ทวนกระแสเป็นธรรมที่นําออกจากวัฏะถ้าทำตามนี้ได้จริงก็เป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะเพราะไม่เดินตามทางแห่ง นะไม่ได้เดินตามทางแห่งความโศกรู้นะว่าทางแห่งความโศกก็คือการเจริญตันหาถ้าดับความโศกก็คือดับตันหาอันนี้เป็นอุทาหอ่เป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ที่เท่าไหร่ที่สตัวอย่างที่สนะตัวอย่างที่1ในข้อ42ตัวอย่างที่สองในข้อ43สนี่มาขึ้นตัวอย่างที่สี่ ตัวอย่างที่สี่หน้า8ปเจ็บย่อหนะ้าคาถาล่างว่าสัตว์โลกย่อมปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นสำเร็จแก่เขาผู้ต้องการวัตถุกรรมเขาย่อมมีใจยินดีคือมีใจที่เ อ, อิบอิ่มด้วยปีติเป็นแน่แท้เพราะได้วัตถุกรรมนั้นปรารถนาอะไรก็ได้อย่างใจนึกไปหมดเลยเนี่ยทานี้เป็นไงดีใจไหมดีใจอยู่แล้วนะต้องการอะไรก็สมหวังไปหมด คิดอะไรก็ได้ดังใจนึกอยากได้อะไรก็ต้องกระหานไปหมดใจนี้อิ่มยิ่งนึกยิ่งอิ่มสบายใจมากมีความสุขมากทั้นคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จไปหมดเลยเนะี่ยพวกนี้ก็ อ, อ, อิ่มปีติพวกนี้ไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักหน่ายเพราะทาอะไรก็ได้อย่างใจต้องการหมดไปทุกอย่าง นะปราถนารูปก็ได้รูปปราธนาเสียงก็ได้เสียงปรารถนากลิ่นก็ได้กลิ่นปรารถนารสปราถนาโพธพภะก็ได้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดปราถนาแก้วแหวนเงินทองเลือกสวนไร่นาเป็นต้นก็ได้อย่างที่ตัวเองต้องการหมดใจก็ปีติพอเลยใช่ไหมไม่มีแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าหากว่าถ้าหากว่าตรงกันข้ามเมื่อไหรนะ กามเหล่านั้นของสัตว์ผู้ต้องการวัตถุกรกามและเกิดความพอใจแล้วนั้นเสื่อมไปโอ้ยสิ่งที่รักสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ปรารถนานี่เสียหายหมดเลยเขาย่อมถึงความวิปริตเหมือนถูกลูก เ, เหมือนถูกยิงด้วยลูกศรฉะนั้นดิน้นดิ้นเร่าเราเลยนะดิ้นเร่าเรเลย เพราะอะไรเพราะว่าเสียทรัพย์หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอ้สิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยนะมันหมดแล้วซูนเสียไปหมดแล้วถูกยึดทรัพย์หมดแล้วอย่างเงี้นะแต่จริงคาถาแรกนี้เป็นลักษณะอัศาธะาใช่ไหมอัศาธะาคืออะไรสัตว์โลกปรารถนาสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นสำเร็จแก่เขาผู้ต้องการวัตถุกรรมเขาก็มีใจเ อ, อบิบอิ่มดีใจอันนี้เป็นลักษณะของอัาธาคือสมุทัยสัตจะ ถ้าหากว่ากามเหล่านั้นของผู้ต้องการวัตถุ ก, กามและเกิดความพอใจแล้วนั้นเสื่อมไปเขาย่อมถึงความวิปริตเหมือนถูกยิงไปด้วยลูกศรดิ้นเร่าๆกวนกระย ก, ะกะสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็คืออาทีนะวะมาดูนิสรณะนะบุคคลใดหลีกเว้นกามทั้งหลายเหมือนนำเท้าของตนเนี่ยหลีกศีษะงูคว่าเอาเท้าหลีกหัวงูเนี่ยนะ บุคคลนั้นเป็นผู้มีสติย่อมล่วงพ้นตัณหานี้ได้ในโลกล่วงพ้นตัณหาที่เชื่อว่าวิสัติกาได้ในโลกก็คือดับตัณหาได้ถ้าหลีกออกจากวัตถุการมหลีกออกด้วยสมถวิปัสนาหลีกออกด้วยอริยมรรคก็พ้นจาก <c oughs> พ้นจากทุกขจริงๆคาถาแรกเป็นการประกาศสมุทัยสัตต์คาถาที่สองประกาศทุกขสัตต์คาถ า, า, ถาที่สามประกาศสัจจานัย มัคสัจจะกับนิโรสัจจะพันสามคาถาเนี่ยนะามย่อหน้าเนี่ยประกาศอริยสัจสีแล้วอธิบายคาถาเหล่านั้นตามลำดับความเป็นผู้มีใจยินดีเป็นอนุนยะคือความรักเนี่ยนะเกิดความรักเกิดความต้องการเกิดความปรารถนาขึ้นท่านกล่าวว่าย่อมถึงความวิปริตเหมือนถูกยิงด้วยลูกศร อ, อันนี้เป็นอะไร ปฏิฆะใช่ไหมเป็นความคับแคบเป็นความคับแค้นถ้าได้สมหวังก็เกิดความเกิดความต้องการก็สมหวังไปเรื่อยๆก็ดีใช่ตรงกันข้ามเท่าวิปริตเมื่อไหร่ปฏิฆะคับแค้นคับแคบทุกอย่างเดียวอนุนยะและปฏิฆะเป็นฝักฝ่ายแห่งตัณหาเชื่อไหมว่าถ้าได้แต่สิ่งที่ต้องการมากยิ่งขึ้นตัณหาก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มเพิเพิ่มเพ่มแต่ถ้าสิ่งนั้นเสียหายตัณหาลดลงเลยใช่ไหม ท่านหาบอกพอแล้วนี่ฉันรู้แล้วล่ะไอ้ของพวกนี้แหละมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะฉันจะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์โดยมากคิดอย่างนี้ไหมไม่เอาใหม่หนาว่าพัางกันเสียหายแล้วก็ช่างมันเถอะทำอะไรได้หาใหม่ดีกว่าก็เลยหาใหม่เพิ่มๆก็ดีใจอีกช่วงขาขึ้นก็ดีใจเจอขาลงก็คับแคบใจก็ขาลงมันต้องขึ้นอีกสิล้มแล้วมันก็ต้องลูกอะไรนะล้ลมแล้วก็ต้องลุกแสวงหาต่อไป วัตตะก็เลยเจริญอย่างนี้สรุปว่าทั้งความยินดีในวัตถุกรรมทั้งความคับแค้นใจที่เกิดจากความสูญเสียสิ่งเหล่านั้นทั้งคู่ก็เป็นอยู่ในฝกักฝ่ายแห่งตัณหาเพราะผู้ที่มีตัณหาก็อยากให้ตัณหานี้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ที่เศร้าโศกเสียใจก็ทํำยังไงที่จะได้มีตัณหามากยิ่งขึ้น น, นะเคยเคยได้ยินไหมว่าโหทุกข์มากเลยมานั่งพิจารณาอริยศาสตร์เลย จริงๆแล้วโดยมากไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกอายตนะทั้งสิบที่เป็นรูปเป็นเหตุใกล้ของตันหาอายตนะสิที่เป็นเหตุแห่งรูปเนี่ยนะเออขออายตนะสิบที่เป็นเป็นรูปตัวเนี้ยเป็นเหตุแห่งตันหามีอะไรบ้างตากับสีอายตนะคือตาอายตนะคือสีก็เป็นเหตุใกล้ของตันหาอายตนะคือหูอายตนะคือเสียงก็เหตุใกล้ของตันหา อายตนะคือจมูกอายตนะคือกลิ่นก็เหตุใกล้ของตันหาอายตนะคือลิ้นอายตนะคือรสก็เหตุใกล้ของตันหาอายตนะคือกายอายตนะคือโพธพะก็เป็นเหตุใกล้ของตันหาอายตนะ15คู่เหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุใกล้นในใของตันหาอันนี้เรียกว่าเป็นการประสงเคราะห์โดยอายตนะเนี่ยนะโดยอายตนะกอายตโนอายตโนตระณะเนี่ยนะการยังลงโดย อายตนะอายตนะสิบอันเป็นรูปเหล่านี้เป็นรูประกายรูประกายนั้นเป็นที่อาศัยของของนามกายหรือว่ารูประกายนั้นอาศัยนามกายนามกายก็อาศัยรูประกายใช่ไหมทั้งนามกายทั้งรูประกายนั้นเป็นนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ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 อายตนะเพราจริงนะ ใ, ในในคาถาสองคาถาเนี่ยคาถาที่หนึ่งกับคาถาที่สองคาถาแรกเนี่ยนะที่บอกว่าสัตว์โลกปรารถนาสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นสําเร็จแก่ผู้ต้องการเขาก็ดีใจอันนี้ก็เหตุใกล้แห่งตันหาใช่ถ้าสิ่งเหล่านั้นเสื่อมไปเขาก็เสียใจเหมือนถูกยิงด้วยลูกศรความเสียใจอันนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดตันหายอมเข้ามาเล่าให้ฟัง บอกโอ้ยมีมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาก็ทํางานเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ได้ครอบครัวครอบครัวก็ผิดหวังกันก็จากกันไปเสียอกเสียใจดื่มเหล้าเมายาผู้หวังดีก็เลยปราไปหาคู่ใหม่ให้มีความสุขมากตอนนี้นะตอนแรกก็ตอนแรกก็ดีใจพอดีใจเสร็จก็เศร้าใจดื่มเหล้าเมายาเสร็จแล้วก็มาดีใจตามเดิมเดี๋ยวก็เสียใจต่อ ก็ดีใจแล้วก็เสียใจสลับคระเค้ากันไปอยู่นั่นแหละเนี่ยโลกนี้นะถ้ามันมีแต่อัตสาธะโดยส่วนเดียวมีแต่ความน่ายินดีโดยส่วนเดียวก็ไม่มีใครจะออกรอกแต่ถ้าหากว่ามีแต่โทษโดยส่วนเดียวก็ไม่มีใครอยู่หรอกถ้ามันมีแต่อาทีนวะโดยส่วนเดียวใครจะไปอยู่ใช่แต่เนื่องจากว่ามันสลับคระคราค้ากันไปมันเลยเพลิดเพลินดีเหมือนกันนะ ถ้ามันสมหวังไปหมดก็ไม่สนุ ก, ก น, นะพวเราก็เลยมีมีอะไรนะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ได้เหตุแห่งความดีใจเดี๋ยวก็ได้เหตุแห่งความเสียใจยวตามันก็เลยเจริญอย่างนี้เลยนี่ทนะ่านผู้ที่มีปัญญาเขาเห็นว่าสิ่งความเพลิดเพลินทั้งหลายมีทุกโทษเป็นที่สุดนี่นะนะมีทุกโทษเป็นที่สุดความเพลิดเพลินทั้งหลายมีความทุกข์เป็นที่ อย่างลงก็คืออย่างลงสู่ความทุกข์ทั้งหมดนะนะเขาจึงศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเพื่อออกสิกขาสามเจริญสิกขาสามเพื่อออกจากกล่องทุกขออกจากวัตทุกข์ย้ําอยู่เสมอเลยนะว่าสิกขาสามนำออกจากทุกศีลและสิกขานําออกจากอะไรอบายทุก์จิตตสิกขานําออกจากกามภูมิปัญญาสิกขานําออกจากวัตถะในภูมิสามนำรูปนั่นแหละเป็นขันท่าใช่ไหม นามรูปเนี่ยนะรูปก็คือภูตรูปและอุปาทายรูปนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันนามกับรูปก็คือขันธ์ห้าอันนี้เป็นการยังลงสู่ขันธ์ห้านามรูปนั่นแหละแบ่งได้เป็นธาตุสิบแปดเนี่ยนะแบ่งเป็นธาตุสิบแปดพอรูปรูปได้กี่ธาตุนามได้กี่ธาตุรูปได้สิบธาตุครึ่งนามเจ็ดครึ่ง รูปสิบครื่งน้ำเจ็ดครึ่งก็เลยเป็น18พอดีรูปเจดอ่ารูปสิบครื่องมีอะไรบ้างตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธิภาพเป็นสิบแล้วใช่ไหมธรรมายตันอ่าธรรมาธาตุอีกครึ่งหนึ่งธรรมธาตุธรรมา ธ, ธรรมาตุคือรูปที่เหลือทั้งหมดเป็นธรรมาธาตุนะรูปที่เหลือรูปหลายรูปเช่นชีวิ ต, ตรูปเป็นธรรมา ธ, รธาตุอาโปธาตุก็เป็นธรรมาธาตุถ้านา ม, นาม 10, อ่ะนามสิบอ่านามเจ็ดครื่องมีอะไรบ้าง วิญญาณธาตุเจ็ดเใช่ไหมจากคูวิญญาจากคูวิญญาณธาตุโสตคานะาเชวหากายะมโนมโนธาตุมโ น, มโ น, มโ น, มโนวิญญาณธาตุก็เป็น7แล้วก็ที่เป็นเจตสิกอีกครึ่งนึงก็เลย7ดครึ่งก็รวมเป็น10บนั้นก็เลยธาตุนามรูปนั่นแหละเป็นธาตุสินามและรูปเหล่านั้นรูปประกายเป็นอินทรีย์าอินทรีย์ที่เป็นรูปห้ามีอะไรบ้าง จากขุนสีโสตินสีคานินสีชิวหินสีกายินศีอันนี้อินศีห้ารูปอ่านะอินศีห้าที่เป็นรูปนามกายเป็นอินศีห้าที่เป็นนามอินศีห้าที่เป็นนามมีอะไรบ้างเช่นเวทินินศีอ่านะอะไรมั้งเวทนินศีเวทนินศีชีวิตินศีอะไรอีกมานินศีวิญญาณก็เป็นมานินศีใช่ไหม แซททินรีเป็นต้นสรุปว่าเป็นอินทรีย์อินทรีย์ทั้งนามและรูปเป็นอินทรีย์10ก็สงเคราะห์ด้วยอินทรีย์ทั้งหลายถ้าจะเคราะแบบพิสดารจริงๆก็ได้อินรีย์อินรีย์ที่เป็นโลกิยะนี่มี19อินรีย์ตรงนี้เขาเรียกว่าพูดแบบพรวบรัดน่ะนะถ้าพูดแบบพิสดารก็อะไรถ้าไล่ไล่แบบนี้ไล่อินรีย์ตาหูจมกูกเลนกาย5อินทรีแล้วใช่ใจอ่ะใจตาหูจมูกลิลนกายใจได้6กแล้วใช่ัหม ตาก็เป็นจักขุณีหูหูก็เป็นโสตินซีจมูกก็เป็นคานินซีลิ้นก็เป็นชิวหินซีกายก็เป็นกายินซีใจก็เป็นมันินซีเป็นอินรียหกอินรียทั้ง6เหล่านี้จะต้องอาศัยชีวิตหล่อเลี้ยงอันนี้ก็เป็นชีวิตอินรียตาหูจมูกลิ้นกายใจของหญิงก็อย่างหนึ่งของชายก็อย่างหนึ่งก็แบ่งเป็นอิดถินซีและปุริสินซีได้อินทรียเท่าไหร่แปดนะ แปือ้า่าวตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจเป็น6ชีวิตอีกหนึ่งภาวะอีก2เป็นเท่าไร 9. อินทรีย์เหล่านี้เนี่ยนะผลผลของการมีอินทรีย์เหล่านี้ก็ได้สุก ข, ขินทีทุกขินทีโสมนัสศีโทมนั ส, สิศีและอุเบกขินทรีเก้าเหล่านั้นบวกอินทรีย์ที่เป็นเวทนาอีก5เป็น14 14 เห็นโทษของอินทรีย์มากเลยเจริญศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญนทรีย์เจริญอินทรีย์อีกห้าก็เป็นอินทรีย์สิบเกอันนี้อินทรีย์เหล่านี้เป็นอินทรีย์ที่เป็นโลกียะถ้าเจริญอินทรีย์ห้าสมบูรณ์ก็ได้อันนั้นอัญญตันยศามีตินทรีย์อันยินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์ก็เป็นอ <c oughs> ินทรีย์ยี่สิบสองสรุปว่า บุคคลใดหลีกเว้นจากกรมทั้งหลายเหมือนนำเท้าของตนลีกศีรษะงูที่พบในหนทางบุคคลนั้นเป็นผู้มีสติย่อมล่วงพ้นตัณหาในโลกนี้ได้การเว้นจากกรามเนี่ยไหนี้เป็นสัพปาที่เสศนิพานธาตุสัพปาที่เสศนิพานธาตุของพระพุทธเจ้ามีที่ไหนสอุปาที่เ ส, สะที่ไหน ที่โพธิบาลังเนี่ยนะที่โพธิบาลังสัุปาทิเศสนิพานธาตุตรงนี้อัตกถาท่านบอกว่าหมายเอาอรหัตตผลอรหัตตาผลชื่อว่าสอุปาทิเศสนะพิพานธาตุสอุปาทิเศสนิพานธาตุนั่นแหละเป็นวิชาเป็นวิชาเป็นความรู้อรหัตตผลนี่แหละเป็นความรู้เพราะดับอวิชาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งวิชาถ้าวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็เป็นอันดับไปถ้าวิชาดับ สังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับนามรูปเป็นต้นก็ดับความดับแห่งวัฏฏะทุกเป็นต้นก็มีได้ด้วยอาการอย่างนี้วิชานั่นแหละเป็นปัญญาขันอันนี้สงเคราะห์ด้วยขันทั้งหลายวิชานั้นได้อินทรีย์สองอย่างคือวิริยินทรีย์กับปัญญินทรีย์อย่าลืมว่าวิชากับวิปัสสนานี่อันเดียวกันนะใช่ในหน้าอะไรหน้าปหน้า8ปี่ หน้า84ซ้ายมือเราใช่ ว, วิปัสสนาได้อินทรีสองคือวิริยินทรีย์กับปัญญินรียวิชาก็ได้สองอินทรีย์คือวิริยินทรีย์กับปัญญินทรียอันนี้เป็นการสงเคราะห์โดยอินทรีย์หรือการหยั่งลงโดยอินทรีย์วิชานี่ก็เป็นสังขารนะนับเนื่องในสังขารสังขารแต่แต่เป็นสังขารที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นสังขารที่ไม่เป็นเหตุแห่งพบใหม่อันนี้เป็นธรรมธาตุอันนี้เป็นการยังลงโดยธาตุธรรมธาตุนั่นแหละเป็นธรรมายตนะแต่เป็นอายตนะที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะไม่เป็นเหตุแห่งพบใหม่เป็นอายตนะที่เป็นโลกุตระอันนี้การยังลงโดยอะไรเป็นการยังลงโดยอายตนะอันผู้ที่หลีกเว้นจากกามทั้งหลายได้เนี่ยนะ หลีกได้เป็นต้นพวกนี้เป็นการนําออกจากจากทุกเป็นการออกจากวัตถุทุกออกด้วยอรหัตตมรักอรหัตตผลนั่นแหละถ้าออกได้อย่างนี้แท้จริงก็ผู้นั้นก็เป็นผู้ที่มีสติสติในที่นี้สติระดับอรหะระดับอริยมรรดับอรหัตตมรักนะยกยกตัวอย่างอันเดียวก็พอคือสติในมรัก8นะมรักษแปดยกสติขึ้นเป็นเป็นอะไร เป็นตัวอย่างเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีสติว่า ง, งั้นเถอะสรุปว่าการหยั่งลงโดยปฏิจจสมุปบาทการหยั่งลงโดยอินทรีย์การหยั่งลงโดยขันโดยาธาตุและอายตนะ น, นะประชุมลงแบบนี้หยั่งลงแบบนี้อย่างดังกล่าวมาแล้วนี้ท่ามหากัจรยนตะเรียกว่าโอตรณะหาระ น, นะการหยั่งลงแบบนี้ก็ใครที่อ่านพระไตรปิฎกเฉพาะ ประสงค์จะเจริญปัญญาโอตะรณาหาระเนี่ยเป็นอาหารที่ที่งอกงามของปัญญามากเป็นปุ๋ยอย่างดีของปัญญาเป็นอาหารอย่างดีของปัญญาเพราะัรับอารมณ์อะไรในชีวิตที่แท้จริงก็ระลึกถึงปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์ขันธาตุและอายตนะหรือถ้าอยากแตกฉานในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาอ่านพระไตรปิฎก พุทธพจน์ทั้งหลายที่เราอ่านพบอ่านเจอก็พยายามมานสิการโดยปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์ขันธาตุและอายตนะอยู่เสมอเพราะว่าอัจเสียงเหล่านี้เป็นญาณจริยาที่ลึกซึ้งเนีย่ยนะโยมมาถามว่ายาณจริยาอันลึกซึ้งคืออะไรก็คือเนี่ยปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์ขันธาตุและอายตนะอันเนี่ยเป็นที่โคจรแห่งญาณนะเป็นที่โคจรแห่งปัญญา ผู้ใดปรารถนาที่จะให้มีปัญญามากก็พิจารณาตามนี้ให้เยอะก็จะเจริญด้วยปัญญา